ซีดีธรรมบัญญายจุดวิกฤตบ้านเมืองวันนี้โอกาสที่มีควรเป็นของใครโดยพระพรมกุณาพรปออประยุตโตวัดยานเวสกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนคนปรปฐม เรื่องที่15เรื่องพ่วงที่สองภาวะผู้นำบนฐานแห่งจริยธรรมตอนหนึ่งบรรยายเมื่อวันที่6มีนาคมพุทธศักราช2539เริเรื่องตน้นก็อยากจะทำความเข้าใจกันเรื่องเกี่ยวกับจริยธรรมนิดหน่อย ว่าคอสนี้ก็อยู่ในเรื่องของจริยศาสตร์ทีนี้ว่าเราพูดในแง่ของจริยธรรมจริยศาสตร์นั่นก็รู้กันอยู่แล้วว่าโดยปกติก็เป็นสาขาหนึ่งของปรัชญาแต่ตามตัวก็คือาศาสตร์ว่าด้วยจริยธรรมนั่นเอง <Yeah. S 2> ว่าความรู้ที่ว่าด้วยเรื่องของจริยธรรมว่าความดีคืออะไรความชั่วคืออะไรเป็นต้นน yeah. ความดีมีจริงไหมหรือไม่มีอะไรเลยอันนี้ก็ด้านหนึ่งแต่ทีนี้เราพูดกันนี่เราจะพูดที่จริยธรรมเลยซึ่งเป็นเรื่องของตัวความประพฤติปฏิบัติหรือหลักหลักเกณฑ์ที่นำมาใช้ในชีวิตจริงเพราะถ้าเป็นจริยศาสต ร, รม์มันก็ยังเป็นองค์ความรู้อยู่ตอนนี้เป็นจริยธรรมเรื่องที่นำมาใช้ในชีวิตและสังคมแต่นี้เรื่องจริยธรรมมันก็มีปัญหาอย่างหนึ่งคือ เาก็รู้กันอยู่แล้วว่าคําวัจรียธรรมนี่เป็นคําใหม่ในสังคมไทยที่เกิดขึ้นประมาณสักสามสิบกว่าปีเรียกว่าเป็นศัพท์บัญญตัติเมื่อเป็นศัพท์บัญญัติก็คือว่าเดิมเขามีคําอยู่ในต่างประเทศแล้วเราก็พยายามหาทางแปลหรือหาคําไทยไปใช้เพื่อให้ตรงกับคํานั้นไม่ใช่คําของเราเองอันนี้ก็ความหมายก็หมายถึงว่าความหมายของเขาเราก็พยายาม หาคําที่สื่อความหมายของคําเดิมนั้นให้ดีที่สุดแล้วแม้จะได้คํานั้นแล้วก็ต้องเข้าใจความหมายตามคําเดิมของเขาด้วยในคำว่าจริยธรรมนี้ก็เกิดขึ้นเพื่อจะมาใช้แทนคําว่าเอสิกนะนั่นคําว่าจริยธรรมก็ต้องเข้าใจความหมายตามโน้นตามภาษาอังกฤษจริยธรรมจึงหมายถึงจริยธรรมในความหมายของตะวันตกเพราะคําว่าเอสิกเป็นของตะวันตก ทนี้ตะวันตกเข้าใจจริยธรรมอย่างไรมันก็มีประวัติยาวนานเพราะว่าเรื่องของการศึกษาจริยศาสตร์เรื่องของเรื่องของปรัชญาเนี่ยมีมาเก่าก่อนก็สนใจเรื่องจริยธรรมจริยธรรมก็เป็นปัญหาของมนุษย์ที่นักปรัชญามาเอามาวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์กันเป็นเวลายาวนานก็มีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องจริยธรรมต่างๆกันมากมาย แ้พูดง่ายๆก็คือจริยศ า, ศาสตร์ก็ศึกษาเรื่องจริยธรรมนี่แหละแต่นี้ถ้าเรามองแนวคิดของโดนตกแล้วเนี่ยมันจะมีกระแสที่หนักไปในแง่ที่เราพอจะพูดเป็นลักษณะได้สามสี่ข้อนะคือ<ม>ไม่ใช่หมายความว่าวันตกนยอมรับอย่างนี้หมดนะแต่ว่ากระแสที่เป็นมาจนปัจจุบันเนี่ยจนกระทั่งมีทิพผล ต, ผล ต, ตออออ่อสังคมโดนตกเองหรือหล่อหลอมสังคมวันตก จริยธรรมอันที่หนึ่งก็คือความหมายนั้นตอนหนึ่งก็คือว่ามองในแง่เป็นบัญญัติบัญญัติหมายความว่าเป็นสิ่งที่จัดตั้งวางขึ้นไม่ใช่เป็นของมีโดยธรรมชาติจริยศาสตรต์ตอนตกบางคนเห็นว่ามีโดยธรรมชาติเหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยโดยเฉพาะเมื่อกี้บอกแล้วกระแสใหญ่ที่ครอบ ง, งาสังคมนวลยธรรมเป็นเรื่องทีบัญญัติขึ้น บัญญัติขึ้นนี้ก็เดิมก็คือเป็นบัญญัติของเทพเจ้าเป็นเทวองค์การหรือเทวบัญช า, าพระผู้เป็นเจ้าเทพผู้เป็นใหญ่สั่งบังคับมาว่าให้มนุษย์ประพฤติปฏิบัติอย่างนี้และงดเว้นการประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นถ้ า, ากว่าไม่ทําตามหรือละเมิดคือหมายความว่าบอกว่าให้เว้นก็ไม่เว้น ไปบอกว่าอย่าทําก็ไปละเมิดทําเข้าอะไรบอกให้ทําก็ไม่ทําตามก็จะลงโทษแล้วก็ถ้าหากว่าปฏิบัติตามยอมรับเชื่อฟังได้ดีก็โปรดปรานก็ให้รางวัลเนี่ยก็จะมีเรื่องของการลงโทษและการให้รางวัลซึ่งเป็นเรื่องสําคัญในทางจริยธรรมโดยเฉพาะแบบเทวองค์การทีนี้ เทพองค์การนี้ก็มีมานานสังคมโดนตกก็อยู่ภายใต้ความเชื่อถือแบบเนี้ยนะการจะได้รับผลดีผลร้ายนี่ขึ้นอยู่ตัอการโ ป, ป, ปรดปรานเทพเจ้าคือการให้รางวัลและลงโทษเพราะนั้นก็มันก็ทั้งหมดนี่ขึ้นต่อเทพผู้ยิ่งใหญ่ทั้งตัวบัญญัติจริยธรรมเองและทั้งการที่จะได้รับผลใช่ไหมตัวบัญญัตินั้นก็ไปของเทพเจ้าวางไว้ แล้วก็การได้รับผลดีผลร้ายก็อยู่ที่เทพเจ้าเหมือนกันลงโทษและให้รางวัล น, นี่สังคมโดนตกก็อยู่ภายใต้ความเชื่อถืออันเนี้ยที่จริงตดนออกก็อยู่ใต้อำนาจนี้ไม่น้อยเหมือนกันแล้วโดยเฉพาะสังคมยุคโบราณทุกบุพการณ์เชื่อเชื่อกันมาทีนี้ต่อมาวิทยาศาสตร์ได้เจริญขึ้นโดยเฉพาะก็นับแต่ศตวรรษที่ที่สิบเจ็ด ก็เมื่อวิทยาศาสตร์จะเลื่อขึ้นมาจะเลยขึ้นมาโดยเฉพาะสตรอที่สิบเก้าเขาเรียกว่าเป็นยุคไซเอนติสึมเลยคือเป็นยุคสมัยที่คนนิยมวิทยาศาสตร์หรือจะเรียก ว, ว่าคลั่งวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ก็ขึ้นมาเป็นความหวังและความใฝ่ฝันของมนุษย์ว่าเมื่อวิทยาศาสตร์จะเลื่อขึ้นมาแล้วมนุษย์เนี่ยจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง รู้ธรรมชาติหมดและสามารถที่จะจัดการกับธรรมชาติได้ตามชอบใจแนวคิดนี้ก็คือแนวคิดที่ว่าวิทยาศาสตร์จะทำให้เราชนะธรรมชาติได้และความจริงนั้นมันก็อยู่ในการที่รู้ธรรมชาตินี่แหละวิทยาศาสตร์ก็คือความรู้ในเรื่องธรรมชาติรู้จนกระทั่งว่าสามารถชนะธรรมชาติจัดการกับธรรมชาติได้ตามชอบใจ เมื่อมนุษย์รู้แล้วก็จัดการกับธรรมชาติตามเข้าใจชนะธรรมชาติมนุษย์ก็จะมีความเป็นอยู่ที่สุขสมบูรณ์เพราะที่มันมีปัญหาติดขัดอยู่ก็เพราะมนุษย์เนี่ยต้องมีชีวิตที่อยู่ใต้ครอบงำของธรรมชาติก็เลยคิดว่าวิทยาศาสตร์นี่จะให้ความหวังสูงสุดว่าวิทยาศาสตร์จะเลยมนุษย์จะมีชีวิตที่สุขสมบูรณ์นี่ก็อันหนึ่งทีนี้สองก็เพราะวิทยาศาสตร์นี้เรียนรู้ธรรมชาติ เข้าใจความจริงให้รู้จักเหตุจักผลในสิ่งต่างๆฉะนั้นความจริงแท้นั้นเป็นเรื่องที่ต้องถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ก็เลยเป็นมาตรฐานวัดความจริงสองอันนี้ยิ่งใหญ่มากหนึ่งคือให้ความหวังแก่มนุษย์ว่าจะประสบความสุขที่สมบูรณ์รวมทั้งอิสรภาพอะไรต่างๆทุกสิ่งที่ดีงามที่สุดแล้วก็สองก็คือเป็นมาตรฐานวัดความ ศาสต์ต่างๆพยายามปรับตัวให้เป็นวิทยาศาสตร์วิชาการบางอย่างอย่างพวกวิชาทางด้านการปกครองวิชาทางด้าน<ม>กฎหมายอะไรต่างๆมีมาแต่โบราณแล้วแต่แต่เพรโต ร, ริสโตเินก็มีมาพอมาถึงยุคนี้ก็มีปัญหาว่าเป็นวิชาการที่เชื่อถือได้ไห ม, มถ้าหากว่าไม่ได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้ ก็คือว่าไม่ได้ใช้วิธีการวิทยาศาสตร์ถ้าไม่ใช้วิธีการวิทยาศาสตร์เชื่อถือไม่ได้เรียกว่าต้องมี scientific method เพราะนั้นพวกวิชาเก่าๆก็พยายามที่จะทำตัวให้น่าเชื่อถือนือว่าเอาวิทยาศาสตร์ไปเกณฑ์วัดความจริงจะต้องให้ใช้วิธีการวิทยาศาสตร์มาศึกษาวิชาเหล่านี้ก็มีการปรับตัวแล้วก็กลายเป็นวิชาที่เรียกว่าสังคมศาสตร์ ในระยะ200ปีที่แล้วมานนี้วิชาสังคมศาสตร์ก็เกิดขึ้นตอนหลังๆก็เลยมีการแยกประเภทวิชากันใหม่เป็น3หมวดวิชาอย่างที่นิยมกับปัจจุบันคือเป็นวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติแล้วก็วิชาสังคมศาสตร์แล้วก็มนุษยศาสตร์ แต่บาทีก็ให้เกียรติมนุษยศาสตร์ถือเป็นวิชาที่มีมาแต่ดเดิมก็เอาเป็นหนึ่งเป็นมนุษยศาสตร์นะแต่ว่าวิทยาศาสตร์นั้นเป็นอันดับหนึ่งยิ่งใหญ่ที่สุด <c oughs> เพราะว่าอย่างที่บอกแล้วนี่เป็นตัวให้ความหวังและความใฝ่ฝันแก่นมนุษย์แล้วก็เป็นเกณฑ์วัดความจริงด้วยเนเพราะฉะนั้นอันดับหนึ่งอันดับสองก็สังคมศาสตร์เพราะว่า เชื่อถือได้ตามวิธีการวิทยาศาสตร์ใช้วิธีวิทยาศาสตร์นเป็นเป็นเรียกว่าเป็นวิทยาศาสตร์ขึ้นวิชาเหล่านี้เช่นอย่างสังคมวิทยาก็เกิดขึ้นรัฐศาสตร์ก็เกิดขึ้นทั้งทาที่รัฐศาสตร์นั้นอย่างเฟโตริโซเตล์น่ยว่ามาเยอะแยะแล้วแต่ว่าอันนั้นไม่นับถือไม่ถือว่าเป็นสังคมศาสตร์ ต้องมาเป็นสังคมศาสตร์ต่อเมื่อใช้วิธีการวิทยาศาสตร์เม200ื่อสองร้อยปีนี่ก็ส่วนวิชาที่เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องมนุษย์วัฒนธรรมมนุษย์อะไรต่างๆนซึ่งมันไม่อาจจะใช้วิธีการวิทยาศาสตร์ได้ก็เป็นพวกมนุษยศาสตร์มนุษยศาสตร์เมื่อวิทยาศาสตร์จะเลยขึ้นมาแล้วสังคมศาสตร์เขาถือว่าเขาเป็นวิทยาศาสตร์ ก็เลยมนุษยศาสตร์ก็ตกต่ําไปโดยใ น, นระยะหลังนี่เป็นปัญหามาจนกระทั่ ง, งปัจจุบันมนุษยศาสตร์อย่างพวกปัญญานี่ก็ลอยอยู่ในนี้ด้วยนะอยู่ในมนุษยศาสตร์ไปตกต่ําไปในเรื่องของมาตรฐานในทางวิชาการของมนุษย์ปัจจุบันหรืออารยธรรมปัจจุบันก็ไปอันว่าเราก็มีวิชาสามหมวดในพวก สังคมศาสตร์เศรษฐศาสตร์ก็เด่นมาใช้วิธีการวิทยาศาสตร์มากอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าความเจริญของมนุษย์ที่มันโยงมาหาเรื่องจริยธรรมด้วยทีนี้เรื่องของจริยธรรมนี่เป็นเรื่องของเทวบัญชาพอวิทยาศาสตร์เกิดขึ้นวิทยาศาสตร์ก็ไม่เชื่อถือนะก็ไม่ยอมรับตอนนั้น บางคนบอกว่าพระเจ้าเดชแล้วกอดอิศเดชแหละเนทีนี้วิทยาศาสตร์ก็ทำให้คนเนี่ยมีทัศนคติไม่ค่อยดีต่อเรื่องศาสนาในแบบตอนตกที่มีมาแต่เดิมศาสนาก็ตกต่ำทีนี้จริยธรรมนี่มากับศาสนาก็พลอยตกต่ำไปด้วย อันนี้เขาเขาบอกว่าเอ๊ะมีที่ไหนเทพเจ้าจะมาบัญญัติเป็นเทวองค์การอะไรต่างๆลงโทษให้รางวาัลไม่มีจริงไม่เป็นความจริงทางวิทยาศาสตร์ที น, นี้พอว่าไม่เป็นความจริงทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ไม่มีจริงเทพเจ้าที่ไหนจะมาบัญญัติวางอะไรเงี้ยแล้วในสังคมนมนุษย์มนุษย์ยางจะต้องมีกา ร, รปฏิบัติอย่างจะต้องอยู่ร่วมกัน นะประพฤติปฏิบัติต่ตอกันด้วยดีไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันอะไรต่างๆเหล่า น, นี้ยก็คือต้องมีหลักความประพฤติและจริยธรรมหลักความประพฤติเหล่านี้เป็นอะไรเขาก็มองว่ามันก็เป็นเพียงเรื่องของมนุษย์นี่แหละบัญญัติกันขึ้นเองจะไปยกให้พระเจ้าหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่ามนุษย์เนี่ยบัญญัติขึ้นก็นตกลงกันสิกัออน ospheric, มนุษย์มีปัญญาในยอยู่ในสังคมก็เห็นว่าถ้าทำอย่างนี้แล้วมันจะเกิดผลเสีย คนคนอือ่นจะเดือดร้อนตัวเองก็อยู่ไม่เป็นสุขสังคมไม่มีความร่มเย็นเป็นสุขเพราะนั้นก็ต้องวางข้อปฏิบัติความประพฤติขึ้นมาก็คือมนุษย์นี่แหละตกลงการวางขึ้นก็เป็นบัญญตัติแต่เปลี่ยนจากบัญญัติของเทพเจ้ามาเป็นบัญญัติของคนหรือของมนุษย์นีะแต่เราสังคมตะลังก็ยังอยู่ในสายความคิดเดิมก็คือว่าเป็นเรื่องจริยธรรมเป็นเรื่องบัญญัติขึ้นมาสังคมนี้ ว่าอันนี้ดีเนี่ยก็ว่าไปก็กลายเป็นความจริงในสังคมนี้แต่ไปสำรวจศึกษาดูกว้างออกไปจะเห็นว่าสังคมโนนเขาอาจจะบอกว่าความประพฤติอันเดียวกันเนี่ยที่ทางสังคมนี้ว่าดีนะมันไม่ดีแล้วเขาก็ยึดถือกันว่าอย่างนั้นอันหนึ่งที่สังคมนี้ว่าดีอันโน้นไม่ดีอันโน้นว่าดีอันนี้กลับว่าไม่ดีนั่นเป็นเรื่องที่มนุษย์วางกันขึ้นเองและจะตกลงกันใช่ไหมอ่าก็เป็นบัญญัติ มันเป็นบัญญัติมันเป็นเรื่องคุณค่าที่มนุษย์ตกลงก็จะเอาอยัางไงนะไม่ใช่เป็นความจริงแท้ทางวิทยาตรตรศาสตร์ตกลงจริยธรรมก็เป็นเรื่องคุณค่าเรื่องคุณค่าไม่ใช่ของจริงแท้เป็นเรื่องที่ศึกษาในพวกมนุษยศาสตรน์นะฉะนั้นจริยธรรมก็ตกต่ำในสังคมตะวันตกตลอดมาเพราะมันไม่ใช่ของจริงอะไรนี่ก็จริยธรรมก็อยู่ในสานะลำบาจกจนกระทั่งถึง ยุคปัจจุบันการศึกษาในหมหาวิทยาลัยต่างๆก็ไม่ค่อยเอาใจใส่จนกระทั่งมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันเริ่มกลับตีตื้นและพุ่งขึ้นสูงมาเพราะอะไรก็เพราะว่ามนุษย์ได้ไดประสบปัญหาจากอารยธรรมและอารยธรรมมนุษย์ยุคปัจจุบันนี้ได้รับผลที่เรียกว่าความเจริญเนีจากวิทยาศาสตร์ตรวมทั้งสิ่งที่พุ่งมาก็คือเทคโนโลยี แล้วก็พุ่งไปอีกด้านก็คือสากรรมทีนี้ความเจริญยุคปัจจุบันมันไม่ได้ทำให้บรรลุความใฝ่ฝันั้นสูงสุดที่มนุษย์เคยหวังจากวิทยาศาสตร์กับเกิดโทษภัยมากมายสังคมก็เดือดร้อนวุ่นวายขัดแย้งกันเบียดเบียนแยง่งชิงเอารัดเอาเปรียบคงเห็นการแก้ไม่ตกและยังมีความชั่วร้ายระบาดไปในสังคมปัญหา ย่าเสพติดปัญหาโสเภณีปัญหาอะไรต่างๆมากมายและชีวิตคนก็ไม่ได้ดีขึ้นพ่วง ก, กันไปมันก็พันกันไปกับเรื่องของสังคมด้วยว่าตัวชีวิตคนนี้มีปัญหาจากการอยู่ร่วมสังคมที่มีการแข่งขันเอาะเอเปรียบกันมาคนก็มีความเครียดมากการเจริญทางอุตสาหกรรมกับทำให้คนนี่จิตใจไม่สบาย ความสัม พ, พ, พันธ์ก็ไม่อบอุ่นจิตใจเครียดมันเป็นทุกข์ในใจตัวเองทุกข์ก็มากในใจการฆ่าตัวตายก็มากสังคมอเมริกันนี่จเจริญ ม, มากคนฆ่าตัวตายมากพอจเจริญยิ่งขึ้นวัยรุ่นวัยหนุ่มฆ่าตัวตายมากหนุ่มสาวฆ่าตัวตายมากจนงงหมดอเมริกานี่สถิติฆ่าตัวตายมากกว่าเม็กซิโกเจ็ดจุดสี่เท่าทางการที่ว่าเป็นประเทศที่มั่งคั่ง ท่านพร้อมส่วนเม็กซิโกนั่นเป็นประเทศที่ยากจนคนแค้นกำลังพัฒนาแต่ว่าประเทศอเมริกาเนี่ยคนเจริญบางครั้งสะดวกสบายค่าตัวตายมากแล้วก็ปัญหาร่างกายก็มีปัญหาสุขภาพร่างกายอาริยธรรมแม้จะช่วยแก้ปัญหาโรคภัยไข้เจ็บไปได้เยอะเช่นโบรคบัลบาทโรคอฮวาตะกะโรคโรค ก, การโรคโรคฝีดัดไครสรพิ แต่ว่าหลายอย่างก็กลับเกิดขึ้นใหม่มีโรคที่เกิดจากอารยธรรมการดำเนินชีวิตที่ผิดที่เรียกว่ามีไลฟ์สไตล์ที่ไม่ถูกต้องในโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงอะไรต่างๆโรคที่เกิดจากความเครียดยิ่งเดี๋ยวนี้ความเครียดไปเกิดโรคสารพัดเลยถ้ากลับหมุนเวียนว่าชีวิตแม้ด้านด้านร่างกายก็ไม่ดีขึ้นและมาสุดท้ายก็คือปัญหาธรรมชาติแวดลอ้อมสองอย่างปัญหาชีวิต ท่านกายใจและปัญหาสังคมนั้นแม้มันจะรุนแรงมนุษย์ก็ยังพออยู่ได้ก็ยังยังหวังจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยู่แต่พอปัญหาธรรมชาติแวดล้อมเกิดขึ้นรุนแรงตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าเจ็ดสองก็เป็นปัญหาที่ทั่วโลกตื่นขึ้นมามีการประชุมสุดยอดเรียกว่าซัมมิตนะครั้งแรกเมื่อปีหนึ่งเก้าเจ็ดสอง นับมาถึงที่ยี่สิบสี่ปีโรคตนตัวขึ้นมาว่าทรัพยากรธรรมชาติไร้เหลอแล้วก็มีมลภาวะสูงถือมนุษย์ทั้งเอาของดีในธรรมชาติมาใช้สิ้นเปลืองแล้วทั้งระบายของเสียใส่ให้แก่นโลกหมายความว่าของดีที่มีอยู่ในโลกก็แผานให้หมดไปแล้วยังแถมระบายของเสียใส่ให้แก่โลกอีกทําทั้งสองประการโลกแย่ที น, นี้ก็ธรรมชาติเป็นรอบจะพินาศ และถ้ามันพินาศแล้วมนุษย์ก็อยู่ไม่ได้ตอนนี้เป็นปัญหาสุดท้ายและทนไม่ได้ไอ้สองข้อก่อนมันยังพอทนได้อยู่มันจะแยกกัอยู่กันไปแต่ทีนี้ไอ้ที่อยู่มันจะไม่มีแล้วก็เลยเป็นอันว่าตื่นตัวขึ้นมาทีนี้มันก็โยงกลับไปว่าโอ้ที่มนุษย์มีปัญหาอย่างนี้นั้นด้านหนึ่งมาเกิดจากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ อีกด้านหนึ่งก็คือเกิดจากคนมีความประพฤติไม่ถูกต้องก็เรียกว่ากาดขาดการพัฒนาไม่มีจริยธรรมนั่นเองเพราะฉะนั้นตกลงก็เห็นพิษภัยของการพัฒนาทางเศรษฐกิจทางวัตถุที่มีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเป็นผู้นำโดยกระบวนการอุตสาหกรรมแล้วก็เห็นขาดสำคัญของจริยธรรมพอเห็นขาสำคัญของจริยธรรมก็เลยเอาจริยธรรมขึ้นมาฟื้นดันใหม่ ก็เกิดการศึกษาจริยธรรมกันในมหาวิทยาลัยต่างๆด้วยนี้ทั่วไปหมดเลยนะแม้แต่วงการธุรกิจก็มีวิชาวิสเนสเอสิคขึ้นมาแล้วก็วิชาวิสเนสเอสิคนั้นหลักการสำคัญข้อหนึ่งก็คือเรื่องของการที่นักธุรกิจซึ่งเป็นเจ้าใหญ่ในวงการเศรษฐกิจเนี่ยจะต้องช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพราะนั้นในจริยธรรมธุรกิจก็ต้อง หาถามว่าทาไงจะให้การดําเนินกิจาการทางธุรกิจอุตสาหการรมไม่ไปทําลายสิ่งแวดล้อมอันนี้เป็นหลักใหญ่อันหนึ่งเพราะฉนั้นก็เกิดจริยธรรมสิ่งแวดล้อมขึ้นมาด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญอนะ่ะในเป็นจะเรียกว่าเป็นหลักใหญ่ของจริยธรรมธุรกิจด้วยทั น, นี้จริยธรรมทางด้านสิ่งแวดล้อมก็เป็นจริยธรรมใหญ่ซึ่งเป็นเรื่องใหม่นีคือ e n v i r o n m e n t ethics เกิดขึ้นมาใหม่ แต่ว่าปัญหาจริยธรรมตอนตกก็โยงไปถึงเรื่องที่ว่าจริยธรรมตอนตกไม่มีฐานที่มั่นคงเพราะคอแคลนมานานพอจะรื้อฟื้นขึ้นมาก็เกิดปัญหาอีกว่าจะเอาจริยธรรมที่ไหนมาใช้เนีจริยธรรมเทววชราก็ไม่มั่นคงและถูกวิทยาศาสต ร, ร์ตีสั่นคลอนไปหมดแล้วที่เหลืออยู่ก็เป็นเรื่องของบัญญัตในสังคมมนุษย์ว่ากันเอาเองจะเอาอยัางไงใช่ไหมเออทีนี้จริยธรรม ในวงการการศึกษาเองก็ไม่มีไอตัวที่จะไปให้เขาให้ชัดเจนนักการศึกษาเองก็ยังไม่ไ ม, ไม่มั่นใจแล้วก็เถียงกันอยู่ก็มีนักการศึกษาใหม่ๆอย่างฟกโกนเบิร์กอย่างเนี้ยก็มาสร้างแนวความผิดทางจริยธรรมว่าจริยธรรมไม่ใช่เป็นเรื่องของเพียงความประพฤติมันเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยเหตุผลเป็นเรื่องของปัญญาด้วยอะไรต่างๆแล้วเนี้ยนี่ก็ว่ากันไป ก็มีปัญหาพวกหนึ่งก็จะไปเอาจริยธรรมของเดิมของศาสนามาใช้แล้วเกิดความติดขัดหลายอย่างพวกหนึ่งก็ไม่เชื่อว่าถึงยังไงวิทยาศาสตร์ในแง่ความเป็นจริงเขาก็ยังมีอิทธิพลมากอยู่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามีปัญหาในสังคมโันตกเองที่ขาดเอกภาพในเรื่องการเชื่อถือทางศาสนานิกายเดียวก็เถียงกันไม่รู้จกจบแม้แต่เพียงว่า ศาสนานิกายเดียวกันอย่างในอเมริกาเนี่ยศาสนาคริสต์เดียวกันคาทอลิกกับโปรเตสแตนต์หรือโปรเตสแตนต์เดียกันคนละนิกายก็ตีความคำสอนไม่เหมือนกันจเจ้าเข้ามาสอนในโรงเรียนก็เกิดปัญหาอาตาาก็เคยเล่าให้ฟังบ่อยๆก็่อย่างยกตัวอย่างเช่นหมู่บ้านหนึ่งหรืออำเภอหนึ่งชื่อฮอลแลนด์ชื่อเหมือนประเทศฮอลแลนด์อยู่ในรัฐแมสซาชูเอเมริกา เด็กนักเรียนไปโรงเรียนวันนี้พอดีจะถึงวันสาคัญทางศาสนาครูก็เกิดไปอธิบายความหมายเขาเรื่องพิสมัตเรื่องอีสเตอร์อะไรเขาเด็กก็ไปเล่าให้พ่อแม่ฟังพ่อแม่ก็มาเล่นงานโรงเรียนบอกทำไมครูสอนอย่างนี้นก็ครูก็หวังดีนะต่ไม่ทันเลยก็อธิบายตามไ้ตัวเข้าใจตามแนวความคิดในนิกายของตัว แต่นิกายอีกนิกายเขาไม่ยอมรับครูก็เล่นงานโรงเรียนนี่เป็นตัวอย่างเพราะว่าตีความไม่เหมือนกันเพรวันนั้นเขาก็ไม่มีเอ ก, กภาพการสอนสาศาสนาในโรงเรียนก็ติดขัดอีกจ้าวเข้าไปเขาาก็ถึงก็ต้องวางรัฐธรรมนูญไวนะ้ให้แยกเชิดกับสเตทออกจากกันไม่สอนสาศาสนาในโรงเรียนแม้แต่สวดมนุ่ก็ไม่ไดนะ้เกิดปัญหากันอีก ขึ้นโลงขึ้นศาลถึงก็ตร้งศาลดีกาก็มีกระแสความคิดพวกหนึ่งก็จะนําออกเข้าไปในโรงเรียนให้ได้วันหนึ่งวิทยุออกมาแต่มาฟังพอดีกําลังเดินทางอยู่ในอเมริกาวิทยุบอกว่าเนี่ยเมืองอเมริกาเนี่ยสมัยหนึ่งได้คิกกอดออกจากประตูโรงเรียนไปปราณนั้น kick กอดประมาณนั้นนะเขาใช้คํานี้ได้ the kick กอด out of the door uh, school door นะี บอกว่าเวลานี้จะต้อนรับพระพุทธ เ, เจ้ากลับเข้าโรงเรียนใหม่อะอย่างนี้แต่ว่าจะรับเข้าได้หรือเปล่าเป็นปัญหามากยุ่งอย่างยิ่งเลยเนีถเถียงกันมาไี่จะจบเดี๋ยวนี้ก็ยังเอาลงตัวไม่ได้ถเถียงกันมากนะแต่ปัญหาสังคมปัญหาสิ่งแวดล้อมมันไม่รอในวันหนึ่งก็จะเอาแนวความคิดแบบที่เป็นศาสตร์สมัยใหม่อย่างนักาศึกษาอย่งโกนเบิร์ แต่พวกหนึ่งก็ยังคานอยู่ยังไม่มีทางลตัวประรยุทธ์ทำที่จะเข้าโรงเรียนก็ยังไม่ตกลงกันว่าจะเอาอไหนเพราะฉะนั้นสังคมก็มีปัญหามากแม้แต่สิ่งแวดล้อมก็มีปัญหาว่าจะเอายังไงจะรักษาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมด้วยแนวคิดแบบไหนใช่ไหมเพราะว่าพวกหนึ่งก็ติเตียนบอกแนวคาวามคิดตอนตกมันผิดหมดอยู่แล้วคือเป็นแนวคาวามคิดที่จะพิชิตธรรมชาติ ตั้งแต่กรีกนะีเพโตริสโตเตลเป็นทั้งงางนั้นหมดโซแคติสเป็นหมดมาจนกระทั่งสมัยเดคาตแม้แต่พวกมหากาวีฟรานซิสเบคอนมาไม่รู้ใครและนักจิตวิทยาซิกมันต์ฟลอยหรือใครก็ตามทุกคนมาแล้วก็ไม่ว่าฝ่ายทุนนิยมหรือฝ่ายสังคมนิยมคอมมนนิตเป็นแบบเดียวกันหมดมีแนวความคิดอยู่ บนฐานอันเดียวกันก็คือความคิดพิชิตธรรมชาติแตอนโตกแยกเป็นสองข้ายก็จริงแต่ว่าที่จริงนั้นอันเดียวกันเป็นวัตถุนิยมทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นทุนนิยมหรืสอสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ที่แยกเป็นข้ายนั้นมันไปแยกกันในส่วนปลายแต่โคนมาอันเดียวกันเพราะนั้นแนวความคิดอันเดียวคือว่าจะพิชิตธรรมชาติเพราะนั้นมันไม่มาเ s, ตื่อต่อการที่จะรักษาธรรมชาติได้ ทำให้มนุษย์แยกต่างหากกับธรรมชาติปัญหากันหนักทีนี้จะทํำยังไงเพราะร า, ากฐานอริยธรรมนี้ไม่ช่วยก็จะต้องสร้างแนวความคิดใหม่เนีทีนี้เขาก็โจมตีไปพวกหนึ่งก็โจมตีแม้กระทั่งาศาสนาเอาดูสิในคําภีเยเนซิสเนี่ยพระผู้เป็นเจ้าสร้างโลกมาสร้างมาแล้วบอกว่าสร้างมนุษย์เสร็จแล้วก็สร้างสิงสาราสัตว์พืช บ, บอกว่าให้เป็นอาหารของเจ้า ให้มนุษย์มีโดเมนเนียนเหนือสิ่งเหล่านั้นเนี่ย yeah. โดมนเนียนก็มีอำนาจครอบครองอันนี้ก็เกิดแตกเป็นสองพวกพวกหนึ่งก็บอกว่าโอ้ที่ศาสนาสอนอย่างนั้นจะไปว่าไม่ใช่สอนอย่างนั้นหรอก เ, ออเขาพระผู้เปเจ้าไม่ใช่หมายความว่าให้มนุษย์เนีย่ยไปครอบงําจัดการกับธรรมชาติได้ตามชอบใจแต่หมายความว่าสิ่งเหล่านั้นพระผู้เป็นเจ้าสร้างมาเป็นมันเป็นสมบัติของพระองค์แล้วก็ให้มนุษย์เนีย่ยดูแลไว้ให้พระองค์ แนวความคิดนี้เขาเรียกว่าสจ๊วตชิฟฟ์ออฟเดอเอิร์หมายความว่าให้มันให้ถือว่ามนุษย์เนี่ยดูแลต่างต่างตาหรือ ต, ต่างตัวหมายความว่าดูแลโลกหรือธรรมชาติแทนพระผู้เป็นเจ้าฝรั่งในเรื่องนี้ก็แยกเป็นสองพวกพวกหนึ่งก็ถือว่าศาสนาคริสต์ก็เหมือนกับพวกแนวคิดในตอนตกทั้งหมดให้มนุษย์นี่จัดการกับธรรมชาติตามชอบใจอีกพวกหนึ่งก็แยกกัมาว่า ไม่ใช่หรอกสคัคนิษฐานั้นสอนให้มนุษย์ดูแลสมบัติของมนุษย์เจ้าไว้แทนพระองค์ท่านั้นต้องดูแลให้ดีมนุษย์จะต้องรักษ า, ษาธรรมชาติแต่พวกนี้ก็ยอมรับบอกว่าแต่ว่าสถาบันสันนิษฐาและพวกนักเผยแพร่เนี่ยได้ไปตกอยู่ใต้ทิพย์ผลความคิดตอนตกที่มีมะเก่าและก็เลยสอนผิดไปแนวคิดที่เช่นอย่างอันกอซึ่งเป็นรองประธานอธิบดีสหรัฐก็มีความเห็นว่าอย่างเงี้ยว่าพวก องค์กรศาสนาคริสต์เนี่ยได้ไปตกอยู่ใต้อิทธิพลของแนวความคิด ต, ตอนตกเดิมที่มีมาก่อนแล้วก็เลยมาสอนอย่างเดียวกันไปเลยสาสนาคริตที่มีปัจจุบันก็พลอยสอนให้มนุษย์นิดเอารัดเอาเปรียบเบียดเบียนทำลายธรรมชาติไปด้วยแนวความคิดที่มีมาแต่เดิมที่ว่านี่ก็คือแนวคิดกรีกซึ่งมีมาแต่เก่าในบางภวกรติหมดแต่ยัง อันก่อนนี้ก็ยังยกย่องอยู่คนหนึ่งคืออริสโตเติลแตว่าเพเรตโตอริสโตเติลมีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติเป็นรอมไม่เหมือนกันก็ตกลงว่ายังยุ่งอยู่ในตะวันตกเนี่ยเอาอะไ ร, ะไรลงตัวไม่ได้แต่ว่าเวลานี้แนวคิดสจวร์ชิฟอบดิเออร์เนี่ยกาลังได้รับความนิยมว่ามนุษย์จะต้องไปผู้ดูแลธรรมชาติไว้นะดูแลไ ว, ว้ให้พระผู้เป็นเจ้าหรือดูแลไ ว, ว้ให้มนุษย์ยุคหลังก็ได้ ถ้าตีความเป็วิทยาศาสตร์ก็หมายความมนุษย์ยุคนี้ก็ดูแลธรรมชาติไว้ให้แก่มนุษย์เสียชาติระยะยาวอันนี้ก็เป็นแนวคิดที่จะรักษาธรรมชาติแต่รวมแล้วจริยธรรมตอนตกก็ยังไม่มีอะไรที่จะเอาไปลงตัวได้เป็นปัญหาตัวจริยธรรมเองที่จะใช้ด้วยอันนี้ทีนี้เราก็มาดูลักษณะจริยธรรมตอนตกหนึ่งก็เป็นเป็นบัญญัตนะิจะเป็นบัญญัติของเทพเจ้าหรือบัญญัติของมนุษย์ว่าขึ้นก็จแล้วแต่ สองที่สําคัญก็คือว่าเราถือถ้ามองในสายตาของเราเนี่ยเป็นจริยธรรมที่แยกต่างหากออกจากชีวิตของมนุษย์คือแปลกแยกจากชีวิตมนุษย์มันเรื่องมาจากอันแรกเมื่อเป็นบัญญัติของสิ่งอื่นของเทพเจ้าหรือของสังคมมนุษย์ก็ตามเนี่ยมันไม่ใช่เป็นของธรรมชาติใช่ไหมหมายความจริยธรรมไม่มีโดยธรรมชาติแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องของชีวิตเองสิ มันไม่เป็นเนื้อเป็นตัวของชีวิตแต่มันเป็นเรื่องที่เรามนุษย์เนี่ยจะต้องไปปฏิบัติตามเป็นของภายนอกใช้เป็นบัญญัติของสังคมเป็นกติกากฎเกณฑ์ของสังคมนี่ก็เกิดลักษณะที่ว่าไม่ใช่ส่วนหนึ่งของชีวิตอันนี้ก็เป็นจริยธรรมแบบแตกแยกจากชีวิตจริงไม่ใช่ของธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งก็คือมองสายตาเราเาแยกส่วน ซึ่งเป็นแนวนคิดตอนตกหมดพยายามที่จะแยกแยะทุกอย่างออกไปวิเคราะห์ออกไปนะและเกิดเป็นความคิดแบบแยกส่วนที่ฝรั่งเขาเรียกว่า reductionistic view หรือ reductionism ซึ่งมาเป็นทางวิชาการก็เป็น specialization นะเป็นความชำนาญพิเศษเฉพาะทางเจื้ํามก็พลอยมีลักษณะอย่างนี้ด้วยก็คือเป็นเรื่องชำนาญพิเศษไปชานาญพิเศษเกี่ยวกับเรื่อง การดาเนินชีวิตของมนุษย์การอยู่ร่วมกันเรื่องความประพฤติ <S <S <S อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องพูดต่อนะคือมันจะต้องชัดขึ้นไม่มีการเปรียบเทียบแล้วรวมความไปตอนนี้ก็คือแยกส่วนออกไปเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์เป็นเรื่องหน้าพฤติกรรมพฤติกรรมภายนอกออกทางกายวาจาที่จะสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเน้นความสัมพันธ์กับสังคมแล้วปัจจุบันก็ไปเน้นความสัมพันธ์กับธรรมชาติด้วย แต่ว่าเป็นพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับสิ่งแวดลอ้อมเป็นเรื่องพฤติกรรมนะแยกส่วนออกไปจากชีวิตนะแม้มันจะเป็นของนอกชีวิตแล้วเสร็จแล้วมาเกี่ยวข้องกับชีวิตก็เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมนุษย์แยกส่วนออกไปและทีนี้เมื่อมันแยกส่วนมันก็จะมีปัญหาตามบางอย่างก็คือเป็นจริยธรรมแบบจำใจเพราะมนุษย์นี่ไม่ชอบไม่ต้องการไม่สนองความอยากของมนุษย์ไปกดเกณฑ์บรรัญญัติสังคมจะต้องเอาอย่างนั้นมนุษย์จะต้องยอมตามก็ต้องจำใจจำยอม ฉันไม่อยากทำอย่างนั้นล่ะฉันอยากจะได้อย่างโน้นแต่ว่าเพื่อให้เป็นไ ป, น ป, น ป, นปนตามกฎเกณฑ์ที่วางฉันต้องยอมทำตามนั้นก็เป็นจริยธรรมแบบจำใจหรือต้องประนีประนอมฉันอยากธรรมชาตินี้ใช่ไมทำไมเราจึงต้องไปมีจริยธรรมแบบสิ่งแวดล้อมรักษาทรัพยากรเราต้องเพราะว่ามันเกี่ยวผลประโยชน์ของมนุษย์เองถ้าหากว่ามนุษย์ไปเอาทรัพยากรมาใช้มาก และระบายพลลภาวะมากธรรมชาติแวดล้อมเสียก็เป็นภัยต่อชีวิตมนุษย์เองแล้วมนุษย์เองก็จะพินาศไปด้วยทียนี้เป็นอนวัฒนมนุษย์จะตามใจตัวเองไม่ได้เพราะมันเป็นภัยกับตัวเองเพราะฉะนั้นมนุษย์ก็จําเป็นจะต้องยอมมาพุตธปฏิบัติยอมยับยั้งชั่งใจยอมควบคุมตัวเองยอมกดความต้องการบางอย่างใช่ไหมยอมจํำใจ ก็ระบบนี้เรียกว่าประนีประนอมประนีประนอมกับธรรมชาติหมายความเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้ด้วยกันต่างฝ่ายต่างต้องยอมดั่งนี่เรียกว่าระบบปณะนีประนอมแล้วเราก็แต่ละฝ่ายนี้ธรรมชาติะยอมเราอยู่แล้วแต่เราต้องยอมให้กับธรรมชาติบ้างเพื่อทั้งสองฝ่ายต่างก็ได้ด้วยกันเราก็อยู่ได้ในทรัพยากรแต่ถ้าเราตามใจตัวเองก็พินาศหมดก็เป็นจริยธรรมแบบปณะนีประนอมซึ่งตั้งอยู่บนฐานข้อความจำใจ เลยจริยธรรมตอนตกเนี่ยก็มีลักษณะอย่างที่ว่ามันนี้ทั้งหมดก็เรียกว่าฝรั่งเขายังไม่เรียกนะเขามีคําว่าทําให้เกิดการพัฒนาที่ม่ยั่งยืนทีนี้เขาจะเอาการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยด้วยจริยธรรมแบบนี้ก็เลยต้องเรียกจริยธรรมเขานี่คําอัตมาเองเรียกว่าจริยธรรมที่ไม่ยั่งยืนเมื่อจริยธรรมไม่ยั่งยืนแล้วมันจะเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างไงใช่ไหม อันนี้ก็เป็นปัญหาของอริยธรรมจะเป็นอริยธรรม COM. ที่ไม่ยั่งยืนไปด้วยเนพราะฉะนั้นบนฐานของจริยธรรมที่ไม่ยั่งยืนก็ต้องมีการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนนําไปสู่อริยธรรมที่ไม่ยั่งยืนตอนตกจะมาแก้การพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนด้วยจริยธรรมแต่จริยธรรมนั้นไม่ยั่งยืนตกลงไปไม่รอดทีนี้มองมามองในสายตาของเราคําว่าจริยธรรมบอกแล้วว่าเป็นบัญญัติใหม่ แต่ว่าที่จริงนั้นถ้าจะหาไปก็พอหาเขาได้คําว่าจริยะนั้นที่จริงก็เป็นคําในพุทธศาสนาแต่เรียกจริยะเฉยๆและมีจริยะแปลว่าการดําเนินชีวิตจรระแปลว่าการเดินแล้วเอาใช้กับชีวิตก็การเดินชีวิตก็คือดําเนินชีวิตเดินแผลงเปดําเนินเดินก็ดําเนินใช่ไหมสเสด็จพระราชาดําเนินอะไรต่างๆแล้วนีน่ก็ใช้กับชีวิตเป็นดําเนินชีวิต จริยะก็คือการดําเนินชีวิตการดําเนินชีวิตอย่างเป็นกลางๆถูกรู้ผิดยังไม่รู้อันนั้นก็มีการดําเนินชีวิตที่ดีงามประเสริฐถ้าเรียกว่าพรัมจจริยาก็การดําเนินชีวิตที่ประเสริฐการดําเนินชีวิตที่ประเสริฐก็คือดําเนินชีวิตที่เรียกว่ามัสมีองคแปดพระพุทธเจ้าตรัสว่ามัสมีองแปดนี้เราเรียกว่าจริยะอันเป็นพรมคือจริยะอันเป็นประเสริฐ ก็หมายความว่าการดําเนินชีวิตตามทางวิถีอันเนี้ยมักก็คือวิถีทางทางเดินเพราะฉะนั้นการดําเนินชีวิตตามทางอันนี้อันเดียวกันก็คือมักมีองค์เนี่ยเรียกว่าจริยานเุเบกษ์มีอะไรบ้างก็มีสมาธิถี่เป็นต้นถึงสมาธิสมาธิแดข้อแล้วพอย่อไป8ดข้อหรือสามใช่ไหมหรือสามก็มีศีลสมาธิปัญญาเนะี่ ตัวรอวจราริยะอันประเสริฐในความคิดในความหมายเดิมของพุทธศาสนาที่มีอยู่แล้วเนี่ยมีสมส่วนคือศีลสมาธิปัญญาและมนุษย์จะมีชีวิตที่ดีงามได้มนุษย์จะต้องฝึกฝนพัฒนาตนเองมนุษย์ไม่เป็นสัตว์ที่ต้องฝึกแต่ว่าฝึกได้ชีวิตมนุษย์ที่ดําเนินอยู่ได้ดีเนี่ยต้องอาศัยการฝึกชีวิตที่ดีของมนุษย์ไม่ได้มาเปล่าเปล่า ต้องได้ในการึกต้องได้ในการฝึกก็คือการศึกษานั้นชีวิตที่ดีก็คือชีวิตที่มีการศึกษานั่นเองเพราะนั้นเราพูดได้เลยว่าชีวิตที่ดีคือชีวิตที่มีการศึกษาเพราะฉะนั้นชีวิตที่ดีคือจริยะอันรเริดหรือมักชีวิตที่ดีนั้นต้องได้มา ด, ด้วยการศึกษาคือศิกขานั้นชีวิตที่ดีหรือมักหรือธรรมวจริยะได้มาได้ดศิกยาคือการศึกษา ชีวิตที่ดีคือชีวิตที่มีการศึกษาเพราะฉะนั้นการศึกษากับจริยธรรมเสริหรือมัจจิงเป็นคําที่เฉียดกันถ้าจะเป็นอันเดียวกันเลยเมื่อเรามีการศึกษาฝึกฝนพัฒนาตัวก็มีชีวิตที่ดีใช่ไหมอ น, นั้นศกขาก็ทําให้มีมัจจหรือทําให้มีธรรมวจิยะธรรมวจิยะหรือมัจจจะไปได้ด้วยศิกขา้วยใช่ไหมอันนั้น เมื่อเรามาดูสิกขาการศึกษาในทางพุทธศาสนาะเรียกว่าใจสิกขาสิกขาสส่วนมีสีสมาธิปัญญาตกลงมักย่อกับสลสมาธิปัญญาสิกขาการศึกษายอ่อก็มีสีสมาธิปัญญาอันเดียวกันเพราะอะไรเพราะด้วยชีวิตที่ดีก็มีไนีด้วยการศึกษาชีวิตที่ดีด้วยการศึกษาคือฝึกฝึกอะไระก็ฝึกศีลสมาธิปัญญาแล้วเกิดมีชีวิตที่เป็นสีสมาธิปัญญาอันเดียวกัน เพราะนั้นศิกขากรรมมักมันจึงย่อรวมแล้วต้องกันเป็นศีลสมาธิปัญญาหนึ่งชีวิตที่ดีได้มาได้ศิกขาเมื่อมีศิกขาก็มีชีวิตที่แต่ว่ามันมีสามส่วนสามส่วนมีศีลสมาธิปัญญาเราไปดูว่าเอติก ข, ของฝรัง่งเอติกเป็นเรื่องพฤติกรรมอยู่ที่ไหนเราแปลว่าจริยธรรมเราทําให้ความเกิดความสับสนขึ้นถ้าไปดูในวงการพุทธศาสนา ในทางวิชาการประเทศอื่นที่เขาไม่เคยเข้ามารู้เรื่องของประเทศไทยพวกนักศึกษาพุทธศาสนาต่างประเทศเขาแปลเอติกว่าไงเขาแปลว่าศีลจบเลยต้ลองว่าเอติกก็คือศีลใช่ไหมชัดเจนว่าคนที่เรียนพุทธศาสนาโดยไม่เคยเข้ามายุ่งกับประเทศไทยไม่รู้ภูมิหลังไม่รู้เรื่องเราด้วยเขาก็แปลเอติกว่าศีลต้องลองว่าจริยธรรมของฝรั่งก็คือศีล เพราะมันว่าได้เรื่องพฤติกรรมแต่ทีนี้ว่าจริยะที่เป็นธรรมะในพุทธศาสนาะนั้นหมายถึงศีลสมาธิปัญญาตอนนี้มันชักยุ่งแล้วใช่ไหมก็หมายความว่าจริยะในพุทธศาสนาะทั้งสด้านอันนี้คืออะไรก็คือชีวิตมนุษย์นั่นเองชีวิตมนุษย์นั้นจะแยกออกจากการเป็นส่วน์ไม่ได้ชีวิตเป็นองค์รวมเป็นระบบความสัมพันธ์ของด้านต่างๆองการดําเนินชีวิต คนเรามีการดําเนินชีวิตที่แยกเป็นด้านต่างๆทางพุทธศาสนาแยกเป็นสามด้านมึงด้านพฤติกรรมการสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางสังคมก็ตามทางวัตถุ ก, ก็ตาม <Yeah. S 1> การอยู่ร่วมกันก็สิ่งแวดล้อมทางสังคมกับเพื่อนมนุษย์การสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอาหารการกินที่อยู่อาศัยปจัจจัย4ตลอดในธรรมชาติแวดล้อมนี่ก็ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ มนุษย์ต้องมีความสัมพันธ์อันนี้รวมทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องศีลทั้งนั้นนะศีลก็เป็นเรื่องที่กว้างพฤติกรรมทางกายวาจาแสดงออกแต่ว่าพฤติกรรมนั้นไม่สามารถจะแยกจากจิตใจได้คนเราจะมีพฤติกรรมอย่างไรต้องมาจากเกจตจานงในใจต้องมีความคิดตั้งใจต้องมีแรงจูงใจมีแรงจูงใจอะไรแรงจูงใจที่หาผลประโยชน์แรงจูงใจที่จะกั่นแกล้งเกลียดชังต้องการทาร้ายผู้อื่น อะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็ต้องมีเกี่ยวกับความสุขความทุกขนะ์ถ้าหากว่าเขาพอใจเขาเกิดความสุขอย่างนี้เขาจะทําอย่างนี้ถ้าจะทําอันนี้แล้วเขาไม่สุขไม่พอใจไม่สบายเขาไม่อยากทําถ้าต้องทํำก็บงังคับฝืนใจก็มาจากอิทธิพลภายนอกฉนั้นฐานะจิตใจเป็นสําคัญมากตอนแรกเราต้องปฏิบัติตา ม, ตามกติกาสังคมเพราะาเป็นเหตุผลว่าเพื่อรักษาสังคมไว้ แ, แล้วจิตใจเราไม่พร้อมเราไม่เต็มใจไม่พอใจมันก็ทุกข์ใช่ไหมเนีถ้าทุกข์แล้วจริยธรรมมันยังอยู่เพราะว่ามันอยากจะฝืนละเมิดอยู่เลยอย่างเราบอกว่าจะไปทําร้ายเขาไม่ได้แต่ใจเราโกรธอยู่ตลอดเวลาไอ้โกรธใจก็ฮึมฮึมอยู่ใช่ไหมจะคิดทําร้ายเขาทําไม่ได้เพราะกลัวการลงโทษเป็นต้นเกิดอะไรขึ้นจริยธรรมนี่ ยังมั่นสั่นคลอนและไม่มัน่นคงใจคนนั้นนั่นอาจจะละเมิดอะไรก็ได้สองใจเขาเป็นทุกข์ด้วยทีนี้ถ้าทำให้จิตใจเขานั้นเกิดความสุขเกิดความรักพอเขารักเขาเปลี่ยนเลยพฤติรกรรมเป็นไปเองเขาก็จะไม่เบียดเบียนเองเลยแล้วกลับจะช่วยเหลือด้วยและนอกจากนั้นจิตใจเขาเป็นสุขด้วยสุขที่จะต่ช่วยและจะไม่เบียดเบียนใช่ไหม ได้ทั้งพฤติกรรมทั้งในจิตใจและพฤติกรรมก็มั่นคงหรือด้านปัญญาก็เช่นเดียวกันด้านปัญญาก็ว่าเราเห็นคนนี้ลักษณะท่าทางไม่น่าพอใจเราโกรธเราไม่พอใจใช่ไหมเราอยากมีพฤติกรรมที่มันดีต่อมามีคนชี้แจงเราได้ศึกษารู้ว่าคนนี้มีภูมิหลังอะไรมีปัญหาส่วนตัวถูก กดดันแรนต่างๆเราเกิดเห็นใจเขาด้วยปัญญาที่รู้ขึ้นมาเราเกิดเห็นใจปั๊บจิตใจเปลี่ย น, นแรงจูงใจเปลี่ยนไม่อยากจะไปทําร้ายเขาและอยากจะช่วยเหลือเกื้อกูลใช่ไหมพฤติกรรมก็เปลี่ยนเพราะฉะนั้นพฤติกรรมจิตใจปัญญาสัมพันธ์กันหมดแยกกันจะไม่ได้คือสด้านเนี่ยมันเป็นด้านต่างๆของชีวิตที่สัมพันธ์ซึ่งกันและกันในระบบชีวิตที่เป็นองค์รวมแยกกันไม่ได้ ต้องเกื้อหนุนซึ่งกันและกันนะฮพฤติกรรมต้องอาศัยจิตใจและปัญญาจิตใจก็ต้องเกี่ยวกับพฤติกรรมพฤติกรรมใดเคยชินแล้วจิตใจมันจะยึดติดมันพอใจอย่างนั้นแล้วก็จิตใจก็หนุนปัญญาถ้าหากว่าจิตใจของเราไม่มีความสุขจิตใจเราฟุ้งซ่านนุ่นงานอยู่ความคิดก็ไม่เดินจิตใจของเราสนงบมีสมาธิจิตใจเรามีความขยันหมั่นเพียรในการที่จะคิดแม้แต่ว่าในการที่จะ มีความเพียรพยายามที่จะคิดใจสู้สู้ปัญหาพยายามคิดมันก็ทำให้เกิดปัญญาแล้วก็ทำให้เรามีพฤติกรรมที่ออกไปหาข้อมูลเป็นต้นข้อมูลและจิตใจนั้นก็มาเกื้อต่อการได้ปัญญาด้วย mm. นั่นปัญญาก็ไม่แยกจากพฤติกรรมแล้วก็จิตใจ mm. แล้วปัญญาเองก็ทำให้เรามีพฤติกรรมที่ถูกต้องแล้วเป็นปไปเดจิตใจที่พร้อมมีความสุขแล้ว ต้องพัฒนาไปด้วยกันเมื่อยิ่งพัฒนาพฤติกรรมไปตอนแรกต้องจําใจพอพัฒนาจิตใจขึ้น้พฤติกรรมนั้นกลับมีความพร้อมและเต็มใจยิ่งขึ้นพอมีปัญญาเห็นเข้าใจชีวิตยิ่งขึ้นเข้าใจสังคมเข้าใจเหตุผลรู้คุณค่ายิ่งขึ้นยิ่งมีพฤติกรรมนั้นถูกต้องและเต็มใจยิ่งมั่นคงใหญ่เพราะฉะนั้นแยกกันไม่ได้เพราะนั้นพุทธศาสนาก็วางเป็นระบบศีลสมาธิปัญญาต้องไปด้วยกัน ทีนี้จริยธรรมตนตกมาแยกเอาสินคือตัวความประพฤติออกไปเสียจากระบบชีวิตเลยทันั้นก็มันก็ต้องหยุดแค่ความจำใจเรื่อยไปใช่ไม่รู้จักจบเพราะมันไม่พัฒนาจิตใจและปัญญาจะเห็นได้ว่าในสังคมไทยเราเนี่ยเมื่อเรานำคำนี้มาใช้นานๆเข้าต่อมาเรามองว่าจริยธรรมไม่พอแล้วมันต้องเอาทางได้คุณธรรมด้วยคุณธรรมก็หมายถึง คุณภาพในทางจิตใจใช่ไหมก็เลยตอนหลังๆในการประชุมเกี่ยวกับจริยธรรมมักจะมีพวงว่าการประชุมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมใช่ไหมเนี่ตอนนี้คือกระแสนแนวความคิดที่ถือว่าจริยธรรมไม่พอถ้อเอาคุณธรรมร่วจิตใจด้วยจะเอพฤติกรรมไม่พอนี่แหละมันเป็นปัญหาถ้าอย่างนี้แล้วไม่รู้จักจบถ้าเราไม่รีบพูดกันให้ครบเพราะาที่จริงแค่คุณธรรมก็ไม่พออีก คุณธรรมจะไปพออะไรได้ด้านเดียวจิตใจมันไม่ได้มีแค่คุณธรรมนะจิตใจมันยังมีอื่นอีกโดยเฉพาะเรื่องความสุข ค, ความสุขนี้เป็นหลักสำคัญเป็นปัจจัยสำคัญของจริยธรรมถ้าพฤติกรรมไม่เป็นไปได้วยความสุขความพอใจไม่มัน่นคงเพราะนั้นพุทธศาสนาจะเน้นเรื่องความสุขจะเห็นว่าสมาธิแม้แต่สมาธิมีสุขเป็นบรรัฐานเป็นเหตุใกล้ที่จะทาให้เกิด สมาธิถ้าบอกว่าไม่มีสมาธิสุขเกิดได้ยากคนมีทุกข์นี่จิตใจกระวธกระวายเดือดร้อนสุขเป็นปัจจัยฐานของสมาธิพอได้สมาธิยิ่งสุขใหญ่ใช่ไหมดังนั้นมันต้องไปได้วยกันตกลงว่าเรื่องของระบบยุทธรรมเป็นระบบองค์รวมศีล ส, สมาธิปัญญาต้องไปได้วยกันในเวลานี้เราบอกว่า จริยธรรมไม่พอจะเอาคุณธรรมลงจิตใจแต่ต่อไปจะรู้ว่าคุณธรรมก็ไม่พอจะต้องเอาความสุขอีกต่อไปก็จะรู้ว่าความสุขก็ไม่พออีกต้องปัญญาด้วยอีกนะแล้วจะไปกันถึงไหนเมื่อไหร่จึงจะรู้ถึงขั้นนี้นะนั้นต้องรีบรู้เลยก็คือต้องรู้ว่าจริยะคือการดําเนินชีวิตของมนุษย์เป็นองค์รวมมีด้านต่างๆสด้านพฤติกรรมจิตใจและปัญญาที่ต้องเป็นปัจจัยสัมผันธ์ซึ่งกันและกันหนุนซึ่งกันและกันพัฒนาไปด้กัน เป็นระบบองรวมแล้วมันจะช่วยให้แต่ละอย่างนี้ดีขึ้นไปด้วยกันจนกระทั่งบรรลุจุดหมายนะเอาล้วนี่เป็นจริยธรรมในแนวคิดของพุทธศาสนาซึ่งถือว่าชีวิตเป็นองค์รวมอย่างที่ว่าแล้วเป็นเรื่องของชีวิตเองจริยธรรมแบบนี้เป็นเนื้อตัวของชีวิตเองอยู่ในชีวิตเพราะฉะนั้นเป็นเรื่อธรรมชาติเช่นอย่างเราเกิดเมตตาขึ้นมาก่อนจะออกเป็นพฤติกรรมเมตตาเกิดขึ้นไปกุศลมันมีผลต่อชีวิตทันทีมันเป็นธรรมชาติ ความเมตตาเกิดขึ้นจิตใจสบายนะถ้าเกิดโกรธขึ้นมันเดือดร้อนทันทีมุ่นงานแล้วผลออกมาทางร่างกายทันทีความเมตตา บ, บัพจิตใจชุ่มชําเลือดลมเดินดีนะร่างกายก็ดีผ่องใสนะร่างกายไม่เผาผลาญมากแต่ช้าแต่ถ้าโกรธมากจิตใจงุนงานร่างกายต้องกายการเผาผลาญมากออกมาทางร่างกายหายใจเร็วเพราะลมหายใจต้อง แรงเพื่อเอาออกซิเจนไปเผาผลาญมากอะไรเงี้ยเป็นต้นนะแล้วก็แก่ไวเป็นต้นอะไรเงี้ยออกมาทางด้านชีจิตใจออกมาทางด้านกายออกมาทางด้านพฤติกรรมเดือดร้อนแก่สังคมอะไรต่างๆเหล่านี้หมดเป็นระบบเป็นปัจจัยโยงกับไปเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องโดยธรรมชาติไม่ใช่เรื่องต่างหากแต่ธรรมชาติเพราะฉะนี้ธรรมก็ไปล น, นึ่งไม่ใช่เป็นบัญญัติบัญญัตินั้นอีกระดับหนึ่งเป็นความฉลาดของสังคมมนุษย์นี่เอา เอาเรื่องความดีความชั่วมาตั้งเป็นกฎเกณฑ์ในสังคมอีกชั้นหนึ่งต้องแยกให้ถูกนั้นเรียกว่าบัญญัติธรรมจริยธรรมที่แท้เนี่ยเป็นธรรมชาติอยู่ในชีวิตเป็นส่วนหนึ่งชีวิตของเรา น, นหนึ่งและไม่ใช่บัญญัติบัญญัติเป็นอีกชั้นหนึ่งมนุษย์ฉลาดแล้วก็ทําขึ้นเป็นเรื่องของอาริยธรรมแล้วก็สองก็เป็นระบบองค์รวมแล้วก็ต้องไม่ใช่จําใจต้องพัฒนาให้คนเนี่ยมันจเจริญไปใน ระบบนี้เจงกระทั่งให้เป็นไปเองก็เป็นจริยธรรมแบบไม่จำใจเป็นจริยธรรมเป็นความสุขอ้าวทีนี้เรื่องจริยธรรมก็เป็นไปอย่างที่ว่ามันนี้